า, าเศรษฐีขี้เหนียวเนิ่นนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีพ่อค้าที่ร่ำรวยคนหนึ่งนามว่าริชาร์ดอาศัยอยู่เขามีที่นาและขายเมล็ดพันธุ์พืชผักได้มากมายธุรกิจของเขาดีมากจนเขากลายเป็นเศรษฐีใครๆต่างก็คิดว่าเขาคงมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยแต่ริชาร์เป็นคนที่ขี้เหนียวอย่างมาก พ่อครับรองเท้าของผมมันขาดหมดแล้วผมอยากได้คู่ใหม่จังเฮ้ยเราเพิ่งซื้อมันมาเมื่อสองปีก่อนเองนะแกอยากให้ฉันจนลงหรือไงแต่พ่อเท้าของผมมันใหญ่ขึ้นแล้วนะดูซิรองเท้าคู่นี้มันกัดเท้าผมจนเจ็บไปหมดแล้วมีแต่รองเท้าใหม่เท่านั้นแหละที่กัดเท้านั่ น, น, นหมายความว่าแกไม่ค่อยได้ใส่มันและมันยังใหม่อยแล้วก็เอาเงินนี่ไปซื้อครีมทาเท้าซะ รองเท้าคู่ตั้ง30แต่ว่าครีมครีมมันถูกกว่านั้นถูกกว่าตั้งครึ่งหนึ่งแ ต, แต่แต่พ่อครับพ อ, อได้แล้วออกไปซะมีแต่คนอยากได้เงินจากฉันจริงๆเลยนั่นแหละคือริชาร์ดคนที่ไม่เคยใช้ใจไปกับสิ่งของเล็กๆเลน้อยเลยในขณะที่ห้องของเขาเต็มไปด้วยทองคำไข่มุกและเพชรมากมาย รองเท้าของเขาเป็นของมือสองและเสื้อผ้าของคนในครอบครัวต่างนำมาเย็บปากกันเขาให้คนในครอบครัวและคนใช้ทานอาหารเพียงวันละสองมื้อต่อวันเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งริชาร์ดได้เดินไปจ่ายตลาดเขาให้คนใช้ของเขาแบกถุงกระสอบที่เต็มไปด้วยมเมล็ดพืชริชาร์ดไม่จ้างเกวียนให้พวกเขาเลยเขาผ่านร้านเบเกอรี่ในตอนนั้นคนทาขนมเพิ่งทาเค้กช็อกโกแลตขนาดใหญ่เสร็จกลิ่นแสนอร่อยของเค้ก ทำให้ริชาร์ดรู้สึกอยากลิ้มรองรสชาติของเค้กแสนอร่อยที่เขาไม่เคยได้กินมันมาก่อนเลยกลับมาแล้วเหรอคะอืมใช่แล้วมีอะไรเงั้นเหรอคะเปล่าไม่มีอะไรคุณไม่สบายเงั้นเหรอไม่ผมอยากกินเค้กเค้กอุ่นๆสอดไส้ช็อกโกแลตที่หวานชำ่ำอืม ฟังดูน่าอร่อยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันทําเค้กสักสิบชิ้นให้กับพวกเราและแบ่งให้กับคนใช้แล้วก็คนงานด้วยดีกว่าอะไรนะนั่นแหละทำให้ผมไม่อยากพูดอะไรคุณอยากให้ผมจนลงหรืองไงก็ได้เงินฉันทําเค้กให้แค่คุณฉันและลูกของเราก็ได้ทำไมลูกของเราต้องกินด้วยล่ะเ อ, อ่อผมผมหมายถึง มันไม่ดีต่อฟันของเขาน่ะก็ได้ก็ได้ฉันจะทำเค้กเล็กๆแค่พอสำหรับพวกเราสองคนก็ได้คุณก็อยากกินเค้กงั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อจริงๆริชาร์ดก็ได้ฉันจะทำเค้กให้แค่คุณคนเดียวเท่านั้นคงไม่ทำให้สมบัติของคุณลดลงใช่ไหมรีบไปทำเร็วๆเลยผมอยากจะกินมันจะตายอยู่แล้วเนี่ย ดังนั้นภรรยาของริชาร์ดจึงทำเค้ก ช, ช็อกโกแลตเล็กๆเพียงแค่ชิ้นเดียวให้เขาโอ้มันช่างชุ่มฉ่ำอุ่นและทะลักไปด้วยไส้ ช, ช็อกโกแลตเหลือเกินริชาร์ดกินมันอย่างอร่อยอร่อยเขาดูดเลียนิ้วของตัวเองเลียแม้กระทั่งที่จานเขาไม่แบ่งให้ภรรยาเลยแม้แต่นิดเดียวในตอนนั้นเองเทวดาได้ผ่านมาและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาไม่สบอารมอย่างมาก ช่างเป็นคนที่ร่ำรวยและมีความสุขซะจริงจริงแทนที่เขาจะแบ่งปันและมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเขากลับไม่ยอมแบ่งปันให้แม้กระทั่งครอบครัวของตัวเองเขาสมควรที่จะได้รับบทเรียนอย่างสาสมดังนั้นเทวดาจึงรอจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นบริชาร์ดออกไปทํางานเขาเปลี่ยนร่างเป็นดริชาร์ดและเข้าไปในบ้านของเขาเพื่อเรียกคนใช้ทั้งหมดออกมา พวกนายทั้งหมดมานี่เร็วครับผมฉันเพิ่งได้คำแนะนำมาจากเทวดาเพื่อให้แบ่งสมบัติของฉันแก่คนอื่นเขาบอกว่าถ้าฉันไม่แบ่งฉันจะตายในคืนนี้ดังนั้นเข้าไปในหมู่บ้านและบอกทุกคนว่าห้องสมบัติของฉันจะเปิดวันนี้ใครอยากได้อะไรก็เอาไปเลยไปเร็วตอนนี้เลยไปเลยถ้าหากว่าฉันพยายามที่จะหยุด หรือว่าไล่พวกเขาตีฉันด้วยไม้และไล่ฉันเลยนะจงไว้ให้ดีละ่ะถ้าฉันไม่แบ่งสมบัติฉันก็จะตายคืนนี้รับทราบครับผมเราควนใช้จึงออกไปที่หมู่บ้านเพื่อกระจายข่าวของหัวหน้าเขาไม่นานฝูงชนได้มาที่บ้านของริชาร์ดเอาเพชรทองและเงินจำนวนมากจากห้องสมบัติของเขาไปเที่ยงวันนั้น เมริชาร์กลับบ้านมากินข้าวเที่ยงเขาโชคที่สุดในชีวิตของเขาเฮ้เฮพวกนายกล้าดียังไงออกไปจากห้องสมบัติของฉันนะไอ้พวกคนใช้และพวกเขาไปเจ้าพวกหัวขโมยกลับมานะเขาใช้กําลังไล่คนออกไปถ้างั้นพวกเราต้องตีเขาด้วยใบเราจะทําอย่างนั <directamente> ้นได้ยังไงเขาเป็นนายของพวกเรานะ ถ้าจำไม่ได้เหล่าเขาพูดอะไรเมื่อเช้าเราต้องตีเขาและไล่เขาออกไปซะดังนั้นริชา ท, ที่น่าสงสารจึงถูกขับไล่ออกจากบ้านของเขาโดยคนใช้ของเขาเองเขาไปที่ราชสำนักและรายงานเรื่องนี้แดกกระสัตรคนในหมู่บ้านขโมยสมบัติของหม่อมชั้นไปฝ่าบาทแต่ว่าน้อยเป็นคนที่ขอให้พวกเขามาและบอกจะแบ่งสมบัติให้เองนี่ มีพยานเห็นกับตาเรื่องนี้หม่อมฉันอยู่ที่ทำงานตลอดตอนเช้านะฝ่าบาทนายใช่วริชาตัวจริงใช่ไหมเขาเป็นใครกันเขาเป็นตัวปลอมไอ้คนหลอกลวงนี่มันแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าจะให้ข้าเลือก ทำไมข้าต้องไม่เชื่อชายที่แบ่งปันสมบัติของเขาแก่คนอื่นมากกว่าที่จะเชื่อชายขี้เหนียวที่ปล่อยให้แม้กระทั่งครอบครัวของเขาต้องอดอยากละ่ะฟาบาดท่านจะจับม่อมฉันขังคุกงันเหรอก็คงงั้นฟาบาดอย่าเลยที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงเขาคือริชารตัวจริงส่วนข้าคือเทวดาและที่ทําไปทั้งหมดเพื่อสอนบทเรียนให้กับเขาเท่านั้น จับเขาเลยฝ่าบาทเขาพยายามที่จะเอาสมบัติขขงหม่อมชันไปฝาบาทในฐานะภรรยาของเขาสมบัติก็เป็นของหม่อมชันด้วยเช่นกันและหม่อมชันเห็นด้วยว่าสามีของหม่อมชันเป็นคนที่ขี้เหนียวจริงๆเทวดาไม่ได้ทำเรื่องผิดอะไรเลยที่พยายามที่จะสั่งสอนเขานายเห็นด้วยอย่างริชัดความร่ำรวยจะมีค่าอะไรหากคนที่ใกล้ชิดกับนายยังไม่ชอบใจ และยังเจ็บช้ำน้ำใจจากความตรหนีของนายนายไม่มีเพื่อนแม้กระทั่งครอบตัวของนายเองก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยถ้าฉันส่งนายเข้าคุกมันจะเป็นชีวิตแบบที่นายต้องการไหมไม่ขอร์ราฟาบาทหม่อมฉันขอโทษตอนนี้หม่อมฉันรู้แล้วว่าโง่เขลาเพียงใดดีมาฉันจะให้โอกาสนายสักครั้งกลับตัวกลับใจซะ ขอพระไทยฝ่าบาทเพื่อเป็นการตอบแทนกับสิ่งที่สามีของหม่อมฉันได้ทำผิดไปหม่อมฉันขอประกาศให้จัดงานเลี้ยงเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับทุกคนในหมู่บ้านของเราถ้างั้นก็ได้